เสียงมีสมุดฐานสองคือจิตกับอุตุเมื่อและคำพูดทั่วไปเนี่ยที่เกิดจากจิตเราก็จนได้ยินคนพูดปั๊บเนี่ยนะจิตชนิดไหนเขาทําให้เขาพูดเสียงแบบนั้นมันต้องวิจัยเรื่องนี้เป็นอัธยาสัยเลยนะเป็นอัธยาศัยเป็นคล้ายๆยังไงเหมือนกับเห็นตัวหนังสือปั๊บอ่านเลยโดยที่ไม่ต้องวิแทบไม่เหมือนไม่คิดเลยอะเห็นตัวหนังสือปั๊บเนี่ยนะ ความหมายเนี่ยแทบอยากสมมติว่าในพระไตรปิดกเนี่ยกว่าสายตาปั๊บเนี่ยเราพอรู้เลยว่าคําเหล่านั้นเนี่ยหมายถึงอะไรบางทีเนี่ยดูหัวดูท้ายเนี่ยตรงกลางเนี่ยแทบรู้เลยว่าคํานั้นเนี่ยเป็นอะไรนั่นแหละแทบไม่ต้องนั่งคิดเลยนะเหมือนไม่คิดเลยเราเข้าใจอย่างนั้นเลยชั้นใดก็ดีผู้ที่วิจัยในเรื่องการรู้อริยศัส์ก็เหมือนกันฟังเสียงปั๊บจิตชนิดนี้เขาเป็นยังไงนี่เสียงที่เกิดจากโสมนัตเวทนานี่เสียงเกิดจากอุเบกขาเวทนานี้เสียงเกิดจาก โทมนัสเวทนานี้เสียงนี้เกิดจากมานะนี่เสียงนี้เกิดจากอิจฉาเสียงนี้เกิดจากมัจฉริยะนะฟังแค่เสียงปั๊บเนี่ยยังถึงจิตนั้นๆที่เป็นปัจจัยแก่เสียงเจนพรก็ผู้ที่เจริญแบบนี้ด้วยแบบอื่นด้วยแต่นี่ก็แบบหนึ่งคือการพิจารณานั้น ในคัมภี์ท่านก็ไม่ได้เน้นที่ที่ประมัดอะไรนะักแต่ว่าทางจากักขุจกักขุทวานนะก็มีประมัดเป็นอารมณ์ปัญจทวานทั้งหมดมีประมัดเป็นอารมณ์นั่นแหละแต่ว่าในมโนทวามีบัญญัติก็ได้นั่นแหละเพราะในในเรื่องของทางหูนั้นจะต้องวิจัยค่อนข้างมากเลยกลิ่นเหมือนกันนะพอได้กลิ่นปุ๊บเนี่ยสามารถวิจัยอย่างนี้ด้วยกรรมเป็นยังไงทําไมกลิ่นยึงเป็นอย่างนี้อะนะั เพราะว่าอาวิชามันมากมายเหลือเกินอ่ะถ้าไม่ไม่วิจัยจริงๆนะไม่มีทางหรอกคือคือมองไม่เห็นช่องเลยว่าวิปัสนาจะเกิดยังไงหรือในชั้นต้นที่สุดเลยนะผู้ที่จะวิจัยในระดับที่ถี่วิสุทธิจึงจะแบบบริบูรณ์เลยนะก็คือมองเห็นมีแต่ขันห้าคือเห็นไอแบบที่เรียกว่าคนก็รู้ด้วยนะแต่มีความเป็นขันห้านี่มองเห็นชัดเจนเลยคล้ายๆกับ มันเป็นความรู้ที่มันซ้อนกันอยู่เหมือนกับคนเห็นว่าเออคนนี้เป็นคนไทยนะเออนี่ฝรั่งนะก็คนเหมือนกันแต่เราเห็นปุ๊บเนี่ยสำคัญมั่นหมายในความเป็นฝรั่งเนี่ยเห็นทันทีเลยแต่ก็คนแต่ก็ความเป็นฝรั่งเนี่ยอยู่ตรงนั้นแหละมันเข้าใจทั้งสองสองอย่างเลยทั้นในเรื่องขันห้าก็เหมือนกันนะมองปุ๊บมองเห็นเป็นขันห้าเลยเห็นเป็นอัธยาสัยอย่างนั้นแล้วในขันแต่ละตัวนี่มีอะไรเป็นตัดใจ จนถึงเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้เพราะว่าอย่างสตีรณะณปริญญาก็คือปริญญาที่เห็นว่ารูปประคานเป็นโรคนะจนกว่าจะเห็นนี่โรคสีลูกศรมีคำหนึ่งนะอะไรรู้ไหมอุปัตถวะแปลเป็นไทยๆว่าอุบาทมองเห็นรูปประคันเนี่ยโอ้นี่อุบาทไม่ง่ายนะที่จะคิดได้ขนาดนี้นะถ้าไม่มองอย่างละเอียดละออย่างทีท่วนจริงๆ นั่นแหละเพราะฉะนั้นกำลังใจในการพิจารณานี่ค่อนข้างสูงมากสูงมากจริงๆก็หมายความว่าถ้าหาว่ามีปัญญามีปัญญาขั้นก็มองแต่เห็นก็มองเห็นแต่เรื่องของเหตุกับปัจจัยเนี่ยทำงานกันอยู่ตลอดเวลาคือไม่ใช่ไม่รู้เรื่องแบบทั่วไปก็รู้เห็นเห็นสมมติก็เห็นรู้ด้วยสมมติทั้งโลกก็รู้ด้วย ใช่ไหมครับแล้วยังรู้ในเรื่องของปรมัดอีกนะฮะไม่ใช่ว่าเราเรารู้ปรมัดอย่างเดียวรู้สมมติเราก็รู้นะฮะเจทพานเรื่องบัญญัติเนี่ยรู้อยู่แล้วครับเจนพรานคือ<น><น>ปกติเราไม่ต้องเรียนก็รู้อยู่แล้วบัญญัติทั่วไปดีนี้คาว่ารู้ประมัินี่นะครับนอกจากจะรู้ตัวปรมัิแล้วเนี่ยครับยังรู้เรื่องราวของปรมัดรู้ รู้อ่ากิจการงานหน้าที่ลักษณะหน้าที่การเกิดการดับของประมัดด้วยเจริญพรรู้ว่า ร, รู้หมดเลยปริญญาเหมือนกันเถอะเจรทญพรท่านใช้คําว่าปริญญาทั่วเลยเนาะเจรทญพรที่ปุตุชนผู้สําคัญหมายรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นเพราะปุตุชนเหล่านั้นไม่ได้กําหนดรู้หรือเพราะปุตุชนไม่ทําปริญญาเพราะปุตุชนไม่มีปริญญา น, นะในในสูตรทั่วไปเนี่ยเพียงแต่ว่า แปลมาเป็นไทยปั๊บนะก็เลยฟังธรรมดาธรรมๆซึ่งไม่กระทบกระเทือนเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าเป็นบาลีล้วนๆนี่ก็คือพวกเพาะปูตุชนที่สําคัญรูปโดยความเป็นตนเป็นต้นเนี่ยเพราะปูตุชนไม่มีปริญญาถ้าหากว่าท่านมีปัญญานะครับถ้ า, าว่าท่านมียาตัาปริญญานะฮะนึกถึงหรือตีนะปัญญาสมมุติสมมตินะครับท่านมียาแล้วท่านกําลังมองเห็นพระอาจารย์สมบัตินี่นะครับแล้วท่าน ตรึกไปในเรื่องของเหตุของปัจจัยนะแต้งแต่เสียงแต้งแต่สีของท่านนี่นะครับท่านตึกไปในเรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับขณะ น, นั้นนี่นะครับเรื่องที่เป็นบัญญัติของพระอาจารย์สมบัติเนี่ยมันจะต้องหายไปพักหนึ่งแล้วครับเพราะในขณะนั้นจิตของท่านกําลังพิจารณาเรื่องของเหตุของปัจจัยต่างๆการทํางานของเหตุของปัจจัยต่างๆใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับที่ว่าเป็นเรื่องของ การเห็นสภาวะคือที่จริงแล้วแม้แต่การเชื่อมต่อเนื้อหาจากคําหนึ่งก็เป็นบัญญัติเหมือนกันแต่เป็นอัฐะบัญญัตินะสมมุติว่าอย่างสมมุติคําคว่าจิตนะความเป็นเหตุเป็นผลนะที่เราตรึกไปด้วยเนี่ยถ้าเราสังเกตจิตปั๊บนะถ้าเราเรียกชื่อคํานั้นเมื่อไหร่ปั๊บนั่นเป็นสัตธบัญญัติเป็นบัญญัติเะนั้นในการพิจารณาธรรมะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่านั้นเป็นบัญญัติหรือเป็นปรมัติษ เพราะพระพุทธเจ้าสอ น, สอนทั้งบัญญัติและปรมัตานั้นแหละแล้วแต่ว่าผูดด้ใดสามารถฟังบัญญัติหรือฟังปรมาทั้นแล้วถ้าละโมหะได้เป็นใช้ได้ใช่ได้<ช>นี่มีในสูตรเลยเพราะพระองค์สอนทั้งสมมุติและปรมาทั้นแหละแต่ว่าบัญญาก็ต้องรู้ความต่างของลักษณะของปรมาทั้งกับบัญญัติที่พูดถึงปรมาทั้แน่นอนคือแม้แต่เบื้องต้นนะ มันต้องรู้อยู่แล้วเสียนฟ้าคือคือยังไงอย่า ง, อ ย, างอย่างสมมติที่เคยคุยกันบ่อยเวลาเราพูดถึงคําว่าจิตเนี่ยเรามีอะไรเป็นอารมณ์สมมติเรามาพูดคําว่าจิตอ่โยมคิดถึงอะไรนะคิดถึงอะไรกะวิญญาณอยู่ตรงไหนอะลอยวัดเนยไเหมือนความทูบเป็นยังไงนรืเป็นยังไงวิญญาณเป็นยังไง อานะสมมติถ้าตมาพูดคำว่าวิญญาณปั๊บเนี่ยนะเราจะนึกถึงอะไรก่อนอ่านึกถึงอารมณ์อารมณ์คือสีเสียงกลิ่นรสโผทพะพระธรรมารมณ์นะสมมติถ้าพูดถึงจิตปั๊บเนี่ยนะเราต้องบอกว่าเราถ้าเป็นคนที่ฝึกจิตตานุปัสสนามาจริงๆเนี่ยจะรู้เลยว่าจิตเห็นเช่นจิตเห็นจิตได้ยิน เรียกว่าตัวที่เห็นอะ่ะตัวที่ทำจิตเห็นตัวที่ทำจิตได้ยินตัวที่ทำจิตรู้กลิ่นตัวที่ทำจิตรู้เย็นร้อนอ่อนแข็งตัวที่ทำจิตคิดนึกต้องนึกถึงสภาวะเหล่านั้นนะใช้คำว่าจิตแต่นึกถึงอสภาวะอันนั้นไม่ใช่จิตปุ๊บนะนะดวงกลมขึ้นมาปุ๊ดตัวเลขยี่สิบสองประทับตราลงไปเปะ๊ะโลผ้ามูลจิตดวงที่หนึ่งเจตสิกประกอบยี่สิบสองดวงคือนะ ตัวเลขเลยมาเพ๊บอีกหกเจดหก็คือสภาวะจิตตะสาธารณะเจตสิกเจปกินากกเจตสิกหนะอกุศลเจตสิกอีกโอ้โหแต่อย่างนั้นอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะเธอพูดนี้ไม่ได้ตำหนิ น, นะ mm hmm. เพียงแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าอย่างนี้นะไม่มีทางรู้จักความจริงของโลภะจิตเลยสมมุติถ้าพูดถึงคำว่าโลภ์ป๊บเนี่ยนะเคยชอบอะไรไหม นึกถึงความชอบอันนั้นวิบมืึนมาเลยสมมุติถ้าหากว่าพูดถึงคําว่าโลภปับนะ๊บเนี่ยโอ้ยไปไปทานทุเรียนเนี่ยอร่อยจริงๆเลยนะนึกถึงความยินดีอันนั้นอ่ะ น, นั่นจริงจะตรงเจนผ่านเป็นสาภาวะจริงหรือไม่โอ้โหพูดถึงโทสะปับ๊บนึกถึงเมื่อเช้าเนี่ยมยันหงุดหงิดหน้าดูเลยแต่อย่างนั้นได้ยังไงนึกถึงความดุร้ายที่เราดุร้ายหรือความดุร้ายของใครก็ได้ขอให้เป็นความดุร้ายที่เป็นลักษณะของ โทสะสมมติถ้าพูดถึงจิตปั๊บเนี่ยสังเกตถ้าของมาแบบยมเนี่ยทำตากระพริบตาส่วนใหญ่ในจิตเห็นจะเกิดนะากกระพริบตาบ่อยๆนะแสดงว่ากำลังเห็นอยู่ข น, นนขนาดนั้นก็จะต้องไม่มีคำหรือมีชื่ออะไรเข้าไปป อ, อ่ะนะก็ก็ไม่เป็นไรถึงมีชื่อแต่ม่ก็ต้องรู้มีก็รู้ก็ก็ไม่เป็นไรเพราะพระองค์ก็สอนทั้งทั้งสองอย่างอยู่แล้วนั่นแหละเพราะว่าเออเชื่อ กับประมัดนั้นเป็นสิ่งที่คําว่าประมัดหมายความว่าหมายความว่าเป็นประธานของบัญญัติทั้งหลายนั่นแหละเพราะฉะถ้าหากว่าถ้อยคําต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเพราะถ้าคนที่ตรึกหรือสภาวะธํามบ่อยๆปั๊บเนี่ยจะเรียกก็ได้ไม่เรียกก็ได้ชื่ออันนั้นเนี่ยถ้ามุ่งสื่อสารตั๊บก็จะเรียกถ้าไม่มุ่งที่จะสื่อสารไม่ต้องเรียกชื่อเลยนะแทบไม่มีชื่อเลยอย่างเช่นคําว่าวัตถุ อารมณ์และวิญญาณจิตเห็นเนี่ยนะใส่เชื่อก็ได้ไม่ใส่เชื่อก็ได้แล้วแต่ถ้าต้องการมุ่งนําเสนอมุ่งสื่อมุ่งแสดง น, นะเพื่อที่จะตรึกเชื่อมไปอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องใส่เชื่อในสิ่งนั้นๆั้นไปแต่ถ้าชํานาญแล้วไม่ต้องใส่เชื่อเลยอย่างคุ้นๆกันแล้วนะไม่ต้องเรียกเชื่อเลยสมมติเห็นโยมผู้การเนี่ยนะไม่นึกถึงคําว่าธงชัยเลยนะแต่ถ้าใครจะพูดถึงปั๊บอ๋อยมผู้การธงชัยอ่ะเหอรอน่ยปั๊บมันจะมันชำนาญในเรื่องนี้เลย มองเห็นคนนี้ชัดเจนเลยนั้นคนที่ตรึกในปรมัช ธ, ธรรมมากๆก็จะเป็นลักษณะดเดียวกันแต่ในชั้นต้นๆเลยนะถ้าถ้าพระสูตรทต่อมาค่อนข้างจะชอบมากก็พระสูตรที่กล่าวถึงวัตถุก่อนตาสีจึงเกิดวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็เอาคำเนี้ยมาตรึกบ่อยๆคิดแต่เรื่องนี้มากๆ หูเสียงโสตะวิญญาณความประชุมสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาจมูกกลิ่นคานะวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะว่าเมื่อวานนี้เราก็ปรัรบคุยกันว่าผู้ที่เจริญพระธรรมจริงๆเนี่ยทิ้งสมถะไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเขาต้องมีศรัทธาในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งก่อนอันนั้นคือธรรมานุสติ เขาต้องปรารภถึงพระธรรมก่อนอในการเจริญเจริญพระธรรมเพราะว่าเราทั้งหลายประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะสูตรทฤษฎีเหล่านี้เราไม่ได้คิดขึ้นเองอเราอาศัยศรัทธาในพระผู้มีพระภาคที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วเพราะการถึงไตรสรณคมเป็นเบื้องต้นเนี่ยถือว่าเป็นวิชาถือว่าค่อนข้างจะสอบผ่านมาแล้วฉั้นใดก็ดีการปฏิบัติธรรมสักหมวดหนึ่งก็เหมือนกันสรณะของเรากล่าวว่าอย่างไร นะสมมติฐาพิจารณาในเรื่องของตาเนี่ยสาระของเราเนี่ยคือพระธรรมเนี่ยกล่าวไว้อย่างไรขอขัดจังหวะนิดหนึ่งครับคือที่บอกว่าพอพูดถึงเรื่องจิตแล้วก็โอ้ไอ้ดวงคมมันลอยขึ้นมานะากุศลจิตก็ลอยขึ้นมาสิบสองดวงนะมาหากุศลก็ลอยขึ้นมาแปดดวงรูปปาปจอยก็ห้าดวงอันนี้ก็รูปปาจอยก็สี่ดวงอย่ารังเกียจนะอย่ารังเกียจ จะเห็นว่าเราไม่ใหม่เราก็จําเป็นต้องอย่างเนี้ยเพราะว่าเราไม่ใช่แบบเป็นผู้ที่มีปัญญาอะไรมากบางครั้งเนี่ยนะฮะเราก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นเป็นกอไก่ไปก่อนอนะเริ่มต้นไปก่อนนะครับจนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งที่ท่านบอกว่าดึงเข้ามาสู่ตัวเนี่ยหรือว่าพิจารณาดูตัวเนื้อธรรมะดูตัวสภาวะธรรมจริงเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเป็นเรื่องที่ยาก อควรทีเดียวจนพรเช่นที่ว่าไปเมื่อกี้ไงนะพุทธพจน์เราอ่านทุกคนก็อ่านชาชักกระสูตรมาใช่ไหมนันทโกวาทะสูตรเป็นต้นเนี่ยที่ที่เคยฟังกันเยอะและพูดบ่อยด้วยนึกถึงนะตาพอพูดถึงคำว่าตาเนี่ยเรานึกที่ไหนนะเรานึกถึงจักรุู่วัตถุของเราไหมสีรูปารมณ์จิตเห็นคือสภาพรู้ทางตาเนี่ย ตาสีจิตเห็นเนี่ยเนี่ยคือภัสสะขณะที่วิมานัิการปั๊บปั๊บเนี่ยเป็นพัสสะพอเห็นปั๊บเนี่ยนะเวทนาเกิดขึ้นถ้าหากว่าเป็นรูปารมณ์ที่ดีเป็นอุเบกขาเวทนาแต่เป็นกุศลวิบากรูปารมณ์ที่ไม่ดีเป็นอกุศลวิบากเวทนาอันนี้เนี่ยเราก็สังเกตดูชวนจิตของเรา ถ้ารูปารมณ์นั้นเราถือโดยสุภนิมิตเป็นโลภะนะพระพุทธพจน์ใช้คําว่าเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหานะเพราะกว่าจะอ่านแล้วนะคำเหล่านี้มันอยู่ที่ตาเนี่ยนะไม่ง่ายนะเพราะคําเหล่านี้อยู่แต่ในในหนังสื อ, อนะแต่ถามว่าหนังสือเนี่ยน่าเคารพไหมเคารพเพราะว่าเป็นที่จารึกพระธรรมคําสอน แต่ทีนี้ว่าทําให้เราก็บอกว่าองค์คุณของพระหูสูตรมีอยู่ข้อหนึ่งคือตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐินั่นแหละเพราะนั้นต้องดึงคําเหล่านี้มาเพ่งและค่อยๆสงเคราะห์ลงความจริงของชีวิตของเราไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเราสงเคราะห์ได้น้อยก็สังเกตว่าเราเนี่ยเข้าถึงพระธรรมน้อยถ้าทําอย่างนั้นทํำยังไงอ่ะก็ศึกษาจนกว่าจะมองเห็นคําสอนอันเนี้ยอยู่ที่ที่ชีวิตของเราจริงๆพูดถึงคําว่าอาหารหนังสือไปเห็นปั๊บ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายผู้ที่เจ้ากําลังพูดกับเรานะไม่ใช่โอ้โหดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนะกำลังตรัสกับพระอนนท์ดูก่อน อ, อนนท์เนี่ยเราต้องกําลังตรัสกับเราเลยนะนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงปุบเราต้องมีสภาวะธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนะเรียกว่าต้องมีขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออายตนะอย่างใดอย่างหนึ่งที่กําลังพิจารณาอยู่ด้วยนั่นแหละ like, จึงจะเข้าใจถ้าไม่อย่างนั้นนะเราจะห่างห่างพระธรรมมากแต่ก็ของนำมาก็ไม่ได้ หวังถึงขนาดว่าทุกคนไปคิดได้ขนาดนั้นเพราะว่าคนที่ส่วนหนึ่งนะถ้ามีเวลาให้พระธรรมน้อยคือไม่สามารถที่จะจําได้นะคนบางคนนะคือเขาบอกว่าปัญญาเหมือนหน้าตักอันนี้พระองค์ก็ทรงสแสดงบางคนเนี่ยฟังปั๊บเนี่ยเข้าใจนะตอนฟังพอลุกขึ้นไปแล้วเนี่ยนึกไม่ออกเลยเอ๊ะท่านพูดอะไรของท่านไปบ้างยังจําไม่ได้เลยสักข้อเดียวอะ่ะข้อหนึ่งก็ไม่มีติดไม้ติดมือเลยยอมเชื่อไหมถ้าเป็นเมื่อก่อนนะเรามาอ่านพระไตรปิฎกอยู่ ร้อยหน้าอย่างแงยจําแทบไม่ได้ทักคําเลยนะเชื่อเรื่องยังจําไม่ได้เลยไม่รู้ท่านพูดอะไรของท่านก็ไม่รู้อะเรื่องไหนที่จําได้นะอ่านไม่ต่ํากว่าสิบสิบเป็นสิบครั้งแน่เรื่องไหนที่จนะํ า, ไ, า, 10, า ไ, จได้ส่วนใหญ่จะเป็นสิบครั้งนั่นแหละขนาดนั้นก็ยังไอ้จาขาดเนี่ยมีเยอะจําตกๆหลงนก็มีเราจะรู้ว่าโอ้โหนี่มันลึกซึ้งขนาดนี้เลยพระธรรมการสอนของพระผู้มีพระภาคแต่ มีทางอื่นอีกไหมแล้วก็หาทางอื่นไม่ได้แล้วนะถ้าหรือว่าผู้ใดมีทางอื่นนะที่เจ๋งๆก็สงเคราะห์แนะ่สายๆก็สงเคราะแนะ่แต่ก็นามาก็ยังศรัทธาคำสอนของพระผู้มีพระภาคว่าเป็นสวากขาโตภควตาธรรมโมพระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้ดีแล้วถ้าหากว่ามีหนทางอื่น นะพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่กรุณาต่อสัตว์โลกมากที่สุดในบรรดาผู้ที่มีกรุณาทั้งหลายแหละทำไมพระองค์ไม่แสดงที่มันง่ายกว่า น, นี้นั่นแหละแต่นี่นี่คือสัพพัญยุตยานของพระผู้มีพระภาควินิจฉัยหมดแล้วว่านะวินิจฉัยหมดแล้วพระองค์จึงบอกว่าธรรมะของพระองค์เนี่ยแสดงหมดแล้วนั่นแหละเพื่อเออเพียงพอเออเพียงพอแล้วเพื่อที่จะบรรลุอริยสัจได นั้นก็แสดงว่าไม่มีทางอื่นแล้วล่ะนั่นแหละถ้าหากว่ามีทางอื่นนะก็มีอย่างหนึ่งก็เกิดให้ทันพระพุทธเจ้าแต่ก็แหมเป็นไปได้ยากเหลือเกินก็รู้ว่ามันสองพันกว่าปีมาแล้วก็แสดงว่าเราบุญมาแค่นี้เองนะนะคิดดูนะห่างพระองค์มาตั้งสองพันกว่าปีนะถ้าพูดแบบนี้ยี่สิบกว่าชั่วคนนะถ้าทุกคนมีอายุร้อยปีตายเนี่ยยี่สิบห้าชั่วคนนะนะห่างขนาดไหนโดยร่างกายนี้เราห่างขนาดนี้ คือดูดูก็ห่างนะฮะแต่บางทีดูดูก็ไม่ห่างเท่าไหร่เอาจริงๆนะครับถ้าเราเปรียบว่าพุทธันดอเนี่ยโอ้โหนานเนะพระพุมีภาคจะมาตัดมามามาบังเกิดขึ้นสักอุบัติขึ้นสักองคหนึ่งนี่นะาห่างทิ้งห่างไปไกลเลยเนี่ยนะแล้วเราห่างแค่ 2,500 กว่าปีเนี่ยไม่ไกลเท่าไหร่เลยอ่ะไม่ไกลเท่าไหร่เลยนะเราเปรียบเทียบถึงว่า เป็นสิบสิบล้านปีอะนะเอาวังนี้ดีกว่าว่าเอาละเป็นสิบสิบล้านปีมีพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จขึ้นมาอุบัติหนึ่งองค์แล้วเราห่างแค่สอง0ันห้ารอยปีบ่าเมินครับไม่นานเท่าไหร่เลยนะอันที่จริงแล้วก็ยังมีพระธรรมไว้ใหเ้เป็นศาสดาแทนพคกยังพอใช้ได้นะเนี่ยเรียกว่าโอ้โอ สมัยก่อนนี้นะปไตยปิตกเก็บไว้ในตู้นะลงลงลักปิดทองเลยอะ่ะใครจะไปเปิดเนี่ยอย่างชาวบ้านไปเปิดตู้ลงลักปิดทองได้ไหมไม่มีสิทธิ์เลยอะ่ะอย่างพวกเราหมดสิทธิ์ธอ่100อาอแค่นั้นน ะ, ะครับเอาไว้บูชายอย่างเดียวสักใช่เพราะว่าเปิดมาแล้วก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันท่าน ก, ก็รู้แล้วอ่ะอย่าเปิดเลยนะ <laughs> สมควรแล้วถ้าคืให้เปิดอาจจะหายไปหมดแล้วคนอ่านไม่ค่อยเข้าใจฉันใดก็ดีนะว่าเราให้เห็นว่าที่พึ่งอย่างอื่นของพวกเราจริงๆไม่มีรอกถึงธรรมะเหล่านี้นะถึงถึงเป็นของที่ลึกซึง้งแต่ถ้าผู้ใดศึกษาและปฏิบัติตามได้ผู้เจ้าบอกว่าผู้นั้นจะได้ที่พึ่งที่คนอื่นเขาได้โดยยากนั่นแหละ ถ้าหากว่าเราไม่เรีบแสวงหากาไม่แสวงหาที่พึ่งนะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งที่ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะไม่แก่เนี่ยไม่มีใครรับประกันรับประกันว่าอย่าตายนะกรณี้ก็ไม่มีใครกล้ารับประกันและมีสุดท้ายนีบอกว่าผลแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมเนี่ยจะไม่ให้ผลก็ไม่มีใครกล้ารับประกันเนีย ว, ว่าวิบากจะไม่ให้ผลทีนี้ชีวิตของเราท่านทั้งหลายนีย ใครไม่เคยทำมากุศลบ้างนั่นแหะใครไม่เคยมีโทสะเลยนั่นแหละแล้วโทสะให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นทุกข์นั่นแหะเมื่อเป็นทุกข์แล้วถ้าวิบากเหล่านี้มันให้ผลจะไปอยู่ที่ไหนดีผมอขอเกิดเป็นคนอีกทีนะจะเอาคําผมพอใจแล้วนะในสภาพนี้เนี่ยนะครับคือยังมีพระธรรมให้ศึกษาแล้วก็ห่างจากสมัยพระผู้พพุทธภาคเพียงสองพันรอยกว่าปีนี่นะครับแล้วยังมีผู้แสดงธรรมอย่างนี้นะครับ ผมว่าผมพอใจแล้วน ะ, นะคือถึงเราตั้งจิตนะัะแต่เราก็ต้องคิดอีกใ น, นอย่างด้วยถึงเรามีเป็นเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่ไหมชีวิตของมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีประเทศชาติถามว่าเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพ่อแม่เราเลื่อมใสไหมเนี่ยส่วนหนึ่งด้วยพ่อแม่เน้นเป็นส่วนที่สําคัญมากนะต่อการต่อชีวิตของลูก จะได้ศึกษาพระธรรมหรือไม่ได้ศึกษาพระธรรมส่วนหนึ่งก็อยู่ที่พ่อแม่อยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่วงญาติ ด, ด้วยแล้วก็สิ่งแวดล้อมตั้งแต่เราเกิดมางั้นคนที่จะหลุดจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆ น, น, นะรู้สึกจะก็ดูไดทั้งเชียงใหม่ศึกษาธรรมะเท่าไหร่ mm hmm. เชียงใหม่นี่คนเป็นล้านนะในบริเวณอาณาเขตของเชียงใหม่เนี่ยเป็นล้านล้านคนแล้วศึกษาเนี่ยได้ถึงเปอร์เซ็นต์มไม่ได้ั้น ในเป็นเๆเลยล้าจังหวัดที่ศึกษาพระธรรมคําสอนเนี่ยหาที่หาศึกษายากจริงๆอ่าเราก็จะถามทั่วไปเลยแถวไหนมีศึกษานักธรรมหรือศึกษาพิธรรมบ้างถ้าแบบธรรมดาอย่างนี้ยังไม่ค่อยจะมีเลยนะแบบละเอียดละเอีย ด, ล, ยดลึกซึ้งเนี่ยไม่ต้องไปถามหาเลยและทั้งหมู่บ้านเนี่ยนะมาถามปัญหาธรรมะไม่มีตะกนึนนงอ่าเขาจะมาถามอย่างอื่นนันว่าเอ๊ะท่านฝันดีหรือเปล่านะ่ะไปเรื่องนั้นไปนั่นแหะถามความฝันนู้น บอกไอ้เรื่องจริงๆไม่ค่อยอยากรู้นะอยากรู้ความฝันเนี่ยโอ้ตายเลยเพราะนั้นเราคิดดูว่าพระธรรมคําสอนนั้นอะเริ่มหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆถ้ายุคเราความรู้ความเข้าใจในพระธรรมน้อยเท่าไหร่เราสา ม, มารถที่จะเห็นลูกหลานของเราเนี่ยจะห่างกว่าเราไปเรื่อยเพราะอะไรรู้ไหมสังคมสิ่งแวดล้อมในยุคต่อๆไปนั้นคนจะมานั่งฟังธรรมอย่างนี้นานๆเนี่ยเวลาไม่มีหรอก เวลาเนี่ยนะถูกกำหนดเป๊ะๆๆหมดเลยว่าเวลานี้ต้องอยู่ตรงนี้เวลานี้ต้องอยู่ตรงนี้นั่นแหะถ้าหากว่าบางคนก็บอกอืมถ้าเป็นพวกทํางานแรงงานทํางานในโรงงานเป็นต้นเนี่ยที่จะมานั่งฟังทำก็ไม่ใช่ของง่ายโอออกจากกะสองทุ่มเนี่ย เ, เข้างานแปดโมงทำงานวันละสิบกว่าชั่วโมงเจ้าของโรงงานอกีก ลูกน้องกลับบ้านหมดแล้วก็ยังดูเช็คอยู่นั่นแหละไม่ต้องทําอะไรเลยปู่สมภาพรับก็เลยไม่รู้ว่าใครดีกับใครก็ไม่รู้ว่าพอกันหมดเลยนั่นแหละแล้วทุกคนนะเฉพาะงานแล้วลูกอ่ะคนมีลูกเกี่ยวข้องกับลูกคนมีร้านเกี่ยวข้องกับร้านนั่นแหละมีเพื่อนกับเกี่ยวกับเพื่อนไหนกินเลี้ยงไหนอะไรโอ้จิปาถาไปหมดแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั้นแล้วคิดถึงธรรมะเป็นไปได้ไหมเพราขนาดอ่านอยู่ อยู่กับพระไตรปิฎกเลยใจยังมันก็จะอยู่ตรงพระไตรปิฎกเลยนะใจไปอยู่ที่ไหนก็นไปลูกคิดเรื่องอื่นไปด้วยบางทีนะอะก็เพื่อนเล่าให้ฟังอ่ะอ่านพระไตรปิฎกไปด้วยคิดถึงอีกคนคลอไปด้วยอ่ะนะคุยกันไปอ่านด้วยคุยกันไปโอ้ได้ขนาดนี้แสดงว่าเต็มทีเหมือนกันนะบางคนอ่านหนังสือไปด้วยทํางานไปด้วยนะงานเนี่ยวางแผนเ ป, เป็เป๊ะเป๊อ่านพระไตรปิฎกไปด้วยยังไงโอ้คิดดูว่าในยุคนี้มันมันยังงั้นจริงๆ เป็นเรื่องที่ที่น่าน่าเห็นใจามากเลยแล้วยิ่งสัตว์ยุคต่อๆไปนะอายุจะสั้นกว่า น, นี้เรื่อยๆนะทั้งอาหารทั้งอากาศก็เป็นปัจจัยให้ให้รูปเหล่านี้คุณภาพด้อยลงไปเพราะยังไงก็สัตเพศสัตตาอาหารสถิติกาสัตว์ทั้งหลายดํารงอยู่ได้ด้วยอาหารถ้าอาหารไม่มีคุณภาพกรรมชรูปก็จะไม่มีคุณภาพด้วยนั่นแหละแล้วกรรมชรูปก็จะโทมไปเรื่อยๆเสร็จแล้ว ความจําเนี่ยจะไม่มีนะสติปัญญาความจําจะน้อยลงไปเมื่อน้อยลงไปนะธรรมะของพระผู้มีพระภาคถ้าจําไม่ได้เนี่ยมิดเลยนะยนอย่างน้อยที่สุดจําจำคําว่าจิตก็ยังดีใช่ไหมไปคิดไอ้จิตมันเป็นยังไงจําได้คําว่าจิตก็ค่อยยังชัว่วบางคนเนี่ยคาว่าจิตยังจําไม่ได้เลยถ้าใครพูดเออใช่ใช่ ช, ช่ไม่มีใครพูดนะหายต่ำไปอีกละนั่นแหละธรรมะสักหมวดเหมือนกันนะคําว่าขันใครพูดมาเออพอจะนึกได้คําว่าขัน ขันมีเท่าไหร่เท่าไหร่ดีใช่ไหมทีนี้บางคนเนี่ยนับได้เลยนะขันมีห้านะอย่างเอตมาเนี่ยนับได้นั้งเป็นเนนนั่นแหละเพราะว่าสวดได้ตั้งแต่เป็นเนนปัญจขันธารูปขันโทเวทนาขันโทสัญญาขันโทสังขารขันโทเราก็ว่าคล่องทีนี้ไปนานๆเข้ามาเรียนธรรมะเอ๊ขันมันอยู่ที่ไหนนะกว่าจะไล่มาลงมาในชีวิตได้เนี่ยโอ้หหลายปีเหมือนกันนะ อย่างบางเรื่องเนี่ยบางเรื่องเลยนะเช่นเรื่องกรรมเรื่องกรรมเนี่ยตั้งเป้าหมายเลยว่าในช่วงปีนี้เราต้องเข้าใจเรื่องกรรมให้ได้ตั้งใจไว้ปีกว่าจึงจะพอระคแแายเรื่องกรรมเพราะตั้งใจไว้แล้วเราจะรู้เรื่องกรรมให้ได้เลยเรื่องกรรมกับเรื่องปกตูปะนิสยปัจจัยเพราะกานักขาคคณิกกรรมกับก ป, favor, ปกตูปะนิสยาปัจจัยนี่ใกล้กันมากเราก็ต้องศึกษาสองธรรมะสองข้อ น, นี้ให้เข้าใจให้ได้ตั้งเป้าหมายเป็นปีปี ที่จริงปีนี้นี่ตั้งไว้ว่าเราจะต้องศึกษาเรื่องขันธาตุอายตนะสัตจจะอินทร์ปฏิจจสมุบาทเนี่ยธรรมะประเภทนี้เนี่ยให้ได้แต่ขนาดนั้นยังยังไม่ได้เดินเท่าไหร่เลยขนาดอาชีพเดียวพระมีอาชีพเดียวนะบินธบาตรก็ใช้เวลาห้านาทีแต่ละท่านรู้ไหมเรื่องกรรมผมใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณสาวปีครับก็ยี่สิบปีนะนั่นะกว่าจะรู้นะ แล้วผมเชื่อว่าอีกหลายท่านนะรู้แต่ว่ายังรู้ไม่สมบูรณ์อ่ะยังรู้ไม่สมบูรณ์นะรู้ขั้นทฤษฎีนะหมายความว่ารู้ขั้นตัวหนังสือนะแล้วพูดมาเข้าอะไอย่างนั้นนะมารู้สมบูรณ์เมื่อไม่นานนักเลยนะแต่ก่อนนี้ก็ตะกุกตะกักตะกุกตะกักนะพอตะกุกตะกักนี่เรารู้เลยนะมันมีข้อแย้งอยู่เรื่อย เอยนะ A, อย่างนี้อยู่เรื่อยนะเราเอยู่เรื่อยนี่ก็ไม่ไม่สามารถอธิบายได้แล้วเอถ้ามันเป็นอย่างนั้นทําอย่างนี้ถ้ามันเอทำไมได้อย่างนั้นเนี่ยนะเนี่ยมันหลายเอเขาก็แสดงว่าเราเราใช่ไหมครับใช่เหลือเหมือนกันนะ